นี้มาขึ้นข้อความในมหาปริณิพานสูตรอปริหารนิยธรรมอีกเจประการในข้อ72หน้า243ตรงนี้เนี่ยนะจข้อนี้เขาเรียกว่าสัต์ธรรมเจก็ได้ถ้าทั่วๆไปในจารณะ15เรียกว่าสัตยธรรมเจ็ประการจารณะส5บห้ามีอะไรบ้างเช่นศีลอินทรีสังวรโพชนามตานยุตาชาคิริยานุโยกสข้อก่อนนะใช่ที่ ที่เหลือหลังจากนั้นก็ศรัทธาหิริโอตปะพหูสูตรวิริยะสติปัญญาแล้วก็ฌานสี่รวมกันแล้วก็จะเป็นจารณะสิบห้าในข้อเจสิบนั้นพระองค์เอาสัตยธรรมเจ็ดประการมากล่าวเป็นอัปปริหานิยธรรมดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตจักแสดงอัปปริหานิยธรรมเจดประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงทาไว้ในใจให้ดี จงฟังก็คือปรโตโขโศจงทำไว้ในใจให้ดีก็คือโยนิสโสมนัสิการอันนี้ทั้งสองอย่างนีถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากของสัมมาทิฐิของปัญญาเนี่ยนะปัจจัยแห่งปัญญาจริงๆแล้วมีสองอย่างก็คือปรโตโขโศหมายถึงการฟังเสียงโฆษณาหรือเสียงกึกกล้องจากผู้อื่นก็คือการฟังธรรมนั่นเอง ส่วนการทำไว้ในใจก็คือโยนิสโสมนสิการสองประการนี้เป็นอาหารของปัญญาวงั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลรับว่าพร้อมแล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระดำรัสดังต่อไป น, นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีศรัทธาตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมนีได้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 เป็นพหูสูตรตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนภิ nie, กษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเป็นผู้ปรารพความเพียรตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนภิกษ e, ุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีสติเข้าไปตั้งเอาไว้ตลอดการเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีปัญญาตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้คุณธรรมเจ็ดประการ น, นนะก็คือศรัทธาฮิริโอต ป, ปะสุตวิริยสติปัญญาถ้าสังเกตดีๆก็คือสามข้อหลังก็เป็นวิริยสติปัญญาใช่ห ข้อก่อนหน้านั้นก็คือถ้าจําอินทรีย์ได้สี่ข้อแล้วนะศรัท ธ, ธาวิริยะสติปัญญาสีเป็นอินทรีย์สี่ข้อบวกฮิริโอตปะแล้วก็บวกหูสูตรอีกคำหนึ่งก็จะเป็นสัต ธ, ธรรมเจ็นั่นเองดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อปริหานิยธรรมเจ็ประการเหล่านี้ยังจักตั้งอยู่ในพิกูจน์ทั้งหลายและพิสูจน์ทั้งหลายจักเห็นดีร่วมกันในอปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ ตลอดการเพียงรพิสูจน์ทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เจริญขึ้นเจริญ ข, ขึ้นอย่างเดียวอปริหานิยธรรมที่แปลว่าธรำที่ทําให้ความเจริญเนี่ยเจริญขึ้นโดยที่ไม่มีเสื่อมเลยอย่างข้อแรกที่บอกว่าศรัทธาคําว่ามีศรัทธานี่เน้นสภาวะธรรมสภาวะของศรัทธาถามว่าที่โครจรของศรัทธาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่คุณของพระรัตนะตรยัยถ้ายังมีศรัทธา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 น, นะเรียกอักขมนียศถาเปเรียกวศรัทธาพิเศษอ่า น, นะอย่างที่สองอธิคมะปะสาธาศรัทธาเนี่ยนะหรืออธิคมศัทธาหมายถึงศรัทธาของผู้ที่มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวของพระอริยะบุคคลอ่า น, นะก็คืออธิคมหมายก็ว่าศรัทธาของผู้ที่บรรลุธรรมแล้วศรัทธาของผู้ที่เห็นอริยศาสตร์แล้วศรัทธาของผู้ที่กําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยามรรคอันประกอบไปด้วยองค์8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 สมควรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสจริงๆเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเพราะยิ่งพิจารณาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยประการรายๆยิ่งเข้าใจมากเข้าใดศรัท ธ, ธาก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะที่ตั้งแห่งศรัท ธ, ธานะเป็นที่ตั้งอันประเสริฐสูงสุดคือปรัตนาตรัยมั้นก็ท่านน้อมใจดิ่งคล้ายกับพระวักกะลินี้ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้เพราะผู้ที่มีเรื่มมีศรัท ธ, ธาแบบนี้ ถึงจะไม่ใช่สมัยพุทธกาลแต่ก็เลื่อมใสในการประพฤติเจตีย์ยังคณะวัดหรือโพที่ยังคณะวัดเ ห, เห็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก, ก็เลื่อมใสสบายใจน้อมใจไปหรือเห็นต้นโพเนี่ยนะก็ระลึกถึงโพที่ปัจจยธรรมระลึกถึงอริยมรรคระลึกถึงโสดาปติมรเป็นต้นระลึกถึงโพที่ปัจจยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ระลึกถึงคําสอนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ นะเช่นอุปชายวัตรอจริยวัตรเป็นต้นอันนี้แหละเรียวกว่าลักษณะของผู้มีศรัทธาถ้ายังมีศรัทธาอย่างนี้อยู่ก็ไม่เสื่อมนะแต่ถ้าศรัทธาเหล่านี้เหือดแห้งไปเมื่อใดเนี่ยนะขุนมัวเมื่อไรเนี่ยนะบอกโอ้ยบอกพระบางรูปเขาบอกว่าขี้เกียจมากเลยสวดมนต์มาเงี้ยอิทธิพิโสเมื่อไรก็ง่วงขี้เกียจมากถ้าอย่างนีนะ้กนะ็เนสะืนะ่อมจริงๆเลยแหละเนี่ย ขนาดว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณเช่นนี้ยังไม่เลื่อมใสเลยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้วิธีสังเกตส่วนตัวบอกว่าขนาดพระพุทธเจ้าเขายังไม่เลื่อมใสนะอย่าคิดนะว่าเขาจะเลื่อมใสเราขนาดพระพุทธเจ้าดีขนาดนี้นะเขายังไม่สนใจเลยอยากคิดว่าเขาจะเลื่อมใสใครได้อีกนานอย่างสมมุติถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโดยส่วนตัวมีความคิดว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าสนใจเลย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 เขามีความภักดีต่อพระพุทธเจ้าเขาฝากใจของเขาถึงจะศรัานั้นจะมากจะน้อยก็ช่างแต่แต่ได้ตั้งในวัตถุที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเขาเรียกว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอันเลิศพนันแน่นอนที่สุดในที่สุ ด, สดเขาทําที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะเพราะว่ า, านะว่าศรัทธาจะน้อยก็จริงแต่ว่าลงเหมือนกับว่าท่านักลงทุนก็ลงทุนถูกที่ว่า ง, งั้นเถะลงทุนในที่ที่เรียกว่าหามีกําไรหาที่สุดไม่ได้ อย่างที่พระองค์บอกว่าไม่สามารถนับผลแห่งบุญของผู้ที่เลื่อมสายต่อพระพุทธเจ้าได้นะนะเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธคุณนั้นหาประมาณไม่ได้ต่อไปมีหิริก็คือเกลียดบาปโอตปะกลัวบาปกลัวบาปทางกายวาจาและใจเนี่ยนะอึดอัดขยะขยังรังเกียจความชั่วทางกายวาจาใจเรียกว่ามีหิริโอตปะถ้ายังเกลียดต่อความชั่ว ถ้ายังรังเกียจต่อความชั่วก็สึเจริญอย่างเดียวโดยไม่เสือ่อมเนี่ยนะเจริญอย่างเดียวส่วนข้อต่อไปนี้พหูสูตรพหูสูตรนี่มีอยู่สองอย่างนะสุตตะนี่มีสองอย่างคือปริยัตพหูสูตรและปฏิเวทพหูสูตรปริยัติพหูสูตรก็หมายความว่าฟังพระไตรปิฎกมาเยอะของเราเนี่ยเฉพาะที่เรียนที่นี่ได้ไปกี่เล่มละอะไรบ้างปิสุทธิมัคปัญญานิเทศอนนะนหนึ่งอันนะันอะไรนะนะนะนะ อุทานจริยาปิดอกพุทธวงศัชิมนิกายบางส่วนปฏิสัมพิธาบางส่วนสุตานิบาตบางส่วนโอ้เยอะเหมือนกันนะเนติปกรณ์เนี่ยนะจบไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดีวก็จบแล้วพระไตรปิฎกอ่ะ น, นะถ้าไม่เลิกเรียนสักก่อนนะพราะไตรปิฎกสามเนี่ยนะการที่ได้ยินได้ฟังนเนี่ยนะหมายถึงว่าติดตามเรื่องของคําสอนได้อย่างต่อเนื่องอย่างนี้เรียกว่ามี สตะนะหมายถึงสติปัญญาที่ต่อเนื่องในเรื่องของคําสอนเรียกว่าพหูสูตรทางปริยัตส่วนผู้ที่เห็นอริยสัจเข้าถึงอริยสัจถึงทุกข์ด้วยการปริญญาเนี่ยนะสมุทัยด้วยการละนิโรธ ด, ด้วยการทําให้แจ้งอริยมรดุด้วยการเจริญมนันผู้ที่แทงตลอดอริยสัจเรียกว่าปฏิเวทสุตตะในที่นี้เอาเอาปริยัตเนี่ยนะถ้ายังเป็นผู้มีสุตะมากยังยินดีในคําสอน ยังพอใจในคำสอนยินดีในการฟังคำสอนถ้ายังพอใจในคำสอนยินดีในคำสอนยังฟังคำสอนอยู่ก็ไม่เสื่อม น, นะหวังได้เลยว่าไม่เสื่อม น, นะถ้ายังรักคำสอน่นะก็ไม่เสื่อมแต่ถ้าว่าโอ้ยเบื่อคำสอนแล้วเนี่ยนะถ้ายัางงี้ก็เสื่อมสำหรับพระหูสูตรเนี่ยมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันนะหนึ่งนิสัยมุตตะกสองปฏิรูปฐาปะกสามพิคุโนวาทกะสสับพาทพหูสูตรตะ ประเภทที่1นเนี่ยนะนิสัยมุตตกะอันนี้สําหรับพระผู้ที่จะพ้นนิสัยได้พรรษาหามีคุณสมบัติอย่างนี้พ้นจากนิสัยได้ก็เลยเรียกว่านิสัยมุตตะกะหูสูตรส่วนอย่างที่สองเาเรียกว่าปริสูปัฏฐาประกาก็หมายเขาว่าให้สัมมณีนนให้พระพิสูุอุปถาคได้เมื่อพรรษาสิบขึ้นไปแล้วมีคุณสมบัติเช่นนี้เช่นนี้ให้พิสูตสัมมณ น, นอุปถากได้หรือว่าถ้าพรรษายีสิบไปแล้วมีความสามารถเท่านี้เท่านี้ เป็นภิกขุโนวาทกะไหมครับว่าสั่งสอนภิกษุณีได้